กลับมาพบกับท่านบุฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้า พ, พระมหาภัยบูนอาพี่ปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกพ่านสื่อที่เราใช้คือสื่อทางเสียงคือเราใช้หูฟังเป็นส่วนใหญ่ท่านบุฟังอาจจะทํางานอย่างอื่นไปด้วยมือไม้ขยับไปตาอาจจะดูสิ่งอื่นไปขับรถไปหรือทําอะไรไปที่ใช้สายทาไปใ น, นระหว่างหูนั้นฟังอยู่แล้ว ตาจะไปมองทางอื่นดูไปตรงนั้นมองไปตรงนี้ได้ในขณะที่เราอาจจะใช้สายตามองดูไปในสิ่งอื่นๆไปในทางอื่นๆถ้าบอกว่ามันมีอะไรมาบาังสายตาของเราแต่เราก็จะมองไม่เห็นมองไม่ชัดเจนสิ่งที่เราต้องการจะมองเช่นตาบอกว่าท่านผู้ฟังดูทีวีอยู่อย่างนี้เป็นต้นตด้านหลังทีวีเนะี่ยเราก็จะมองไม่เห็นเพราะว่าทีวีมันบังอยู่ หรือว่าถ้าเราดูที่คอมพิวเตอร์หรือมองดูที่โทรศัพท์มือถืออย่างนี้เด็ก็จะไม่เห็นด้านหลังคอมพิวเตอร์หรือมองไม่เห็นมือของเราที่ถือโทรศัพท์มือถืออยู่เนื่องเพราะว่าสิ่งนั้นมันบังอยู่อย่างกับพเจ้านี่มีไมโครโฟนบังอยู่อย่างนี้จะมองอะไรที่มันอยู่หลังไมโครโฟนไปเด็กก็จะมองไม่ค่อยชัดเจนเด็กจะไม่รู้ว่ามันมีอะไรเป็นยังไงยังไงบ้างหรือถ้าทะบวงขับรถไป มีมอเตอร์ไซค์บังอยู่หรือมีรถคันที่ใหญ่กว่าบังอยู่ข้างหน้านี่ทัศนวิสัยในการขับรถมันก็จะไม่ดีจะไม่เห็นรถที่มันขับสวนมาหรือว่ารถที่อยู่ข้างหน้าเขาก็จะต้องเว้นระยะห่างไว้พอสมควรเพื่อที่จะให้มีทัศนวิสัยดีอย่าไปตามจี้ตามขับใกล้ๆเกินไปมันก็จะบทบังทัศนวิสัยก็คือเป็นลักษณะว่าถูกบังเอาไว้นะถูกบังหน้าเอาไว้ คนที่ใส่แว่นตากันแดดนี่จะเห็นได้ชัดเจนแต่เราใส่แว่นตากันแดดแว่นตาดำอย่างเงี้มองไปข้างนอกไปที่ไหนก็ตามมันก็จะมีเหมือนอะไรมาบังเอาไว้ป้องกันแสงที่จะเข้าสู่ดวงตาแต่เบอแว่นนี้เป็นสีแดงหรือสีเขียวหรือสีน้ำเงินอย่างไรเราก็จะมองเห็นสิ่งภายนอกนั้นเป็นไปตามสีต่างๆเหล่านี้ตามสีของแว่นไม่ว่าจะถูกแว่นบังเอาไว้ หรือว่าถูกสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งบังเอาไว้เนี่ทัศนะวิสัยหรือว่าการเห็นของเรานี่ยก็จะถูกบิดเบือ น, น, นไปตามลักษณะของแห่นถูกทําให้มองไม่เห็นไปตามลักษณะของสิ่งของที่บังเอาไว้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้ถูกบังหน้าตะบูฟังพระพุทธเจ้าเคยตรัสต่อไปแต่ว่าสัตว์โลกเนี้ถูกหัตะบังไว้ถูกภพ บ, บังเอาไว้ ถูกภาษสะถูกพบบังเอาไว้ทําให้เราไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นอยู่จริงๆว่ามันเป็นยังไงและเมื่อถูกบังเอาไว้อย่างที่ว่าเดิมฟังเวลาขับรถเนี่ยจะมีอะไรมาบังเนี่ยมันทัศนวิสัยไม่ดีแต่มันจะเกิดอันตรายได้มันจะมีอุบัติเหตุได้แต่ทําให้เกิดความผิดพลาดต่างๆเกิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเดิมฟัง โดยเฉพาะยิ่งถ้ามันบังใกล้จนถึงจมูกเนี่ยโอ้ยบังดีมันมันมองไม่เห็นอะไรเลยถึงแม้สิ่งนั้นมันจะไม่ได้ใหญ่มากก็ตามนะแต่มันใกล้ตาของเรามากเนี่ยทําให้มันบังมิดหมดอย่างเช่นแว่นตานี่เป็นต้นแต่แว่นตานี่ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าหน้าของเราเลยด้วยซ้ําแต่มันสามารถบดบังทัศนวิสัยแต่ทำ่หเราเห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของแว่นได้ในมีศัพท์ที่เราใช้กันตะวังตกก็เรียกว่าเส้นผมบังภูขเขา แต่คือเส้นผมนี่เล็กนิดเดียวแต่ว่าเวลาที่มันมาอยู่ใกล้ๆเหตตาเนี่ยมันบดบังไปหมดทุกอย่างได้ไหนช่างสอนนั่นฟังเวลาเขาจะดัดลูกศอนเนี่ยเขาเอาลูกศอนมาวางไว้ในอยู่ใกล้ๆตาเขาเล็งไปเนี่ยถ้าเขาใช้สองตาดูนี่ไอ้สิ่งที่มันปรากฏอยู่ใกล้ๆตาเนี่ยมันกลับจะแยกออกเป็นสองอันแล้วเม่มันดูแล้วมันโค้งไปไม่เชื่อจะบุฟังลองดูก็ได้ เอาไม้บรนทัดหรือว่าท่อนไม้สักอันใดอันหนึ่งเนี่ยมาวางไว้ใกล้ๆตาสองดูเนี่ยว่ามันตรงหรือไม่ตรงเนถ้าใช้สองตาดูเนี่ยมันมันเพี้ยนไปเนี่ยการมองเห็นของเรามันบิดเบือนไปช่างทําลูกศร น, นั้นก็จะมีเทคนิคของเขาในการแก้ปัญหานี้ประเด็นในที่นี้ก็คือว่าเวลาที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาอยู่ข้างหน้าเรานําบดบังของเร า, เาไว้ยิ่งอยู่ใกล้มากๆนี่ใกล้ตามากๆเลย มันยิ่งจะบังมิดตรงนี้เป็นอุปมาอุปไมตระท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้ายกให้ทราบว่าสิ่งที่มาบังเราอยู่สิ่งที่มาบังตาของเราไว้ให้เรามีทัศนวิสัยที่ไม่กว้างขวางทําให้เราไม่เห็นสิ่งต่างๆที่ควรจะเป็นอย่างกว้างขวางนั่นก็เพราะว่ า, เ ร, า, วาเรื่องของภพเรื่องของปัจจัสด้วยผู้ฟังเคยสงสัยไหมว่าในมีคนเขาเคยพูดถึงว่าสังสา ร, รวัฏนี้นายาวนานมามาก ที่ทำไมเราระลึกไม่ได้ว่ะชาติที่แล้วแล้วมาเราเกิดเป็นอะไรอะไรอะไรบ้างที่ทำไมเราระลึกไม่ได้นั่นก็เพราะว่าถูกพบเนี่ยบังเอาไว้แต่ทำไมไม่รู้ไม่เห็นเราว่าไอ้พบก่อนก่อนนั้นเป็นยังไงเออแล้วถ้ามันจะมีพบหน้าพบหน้าต่อไปมันจะเป็นยังไงยังไงอันนี้คือถูกพบบังเอาไว้เวลาที่เราถูกสิ่งใดสิ่งหนึ่งบังเอาไว้ท่านผฟังเราจะมองไม่เห็นอื่นๆเนะี่ยที่นอกเหนือจากสิ่งนี้ แล้วการที่เราถูกบังเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราถูกบงังเมื่อเราไม่รู้ว่าเราถูกบังเนี่ยเราก็จะรู้อยู่ว่าอ๋อโลกของฉันก็มีแค่นี้เนี่ยมีแค่นี้แล้วก็จบไปเนี่ยไม่ได้มีอื่นนอกไปจากนี้ก็มองดูอยู่เฉพาะแค่นี้เนี่ยก็ลักษณะเหมือนกบในกะลานั่นแหละในคิดว่าโลกมีแค่นี้จบอยู่แค่ในกระลาของตัวเองนั้นถูกบังเอาไว้ลักษณะเหมือนกับกบที่อยู่ในกระลาแล้วกบออกมานอกกระลาแนี่ก็มีกระลาแผ่นใหญ่กว่าอีกบังเอาไว้อีก มันอาจจะมีหลายชั้นด้วยซ้าเวลาที่เราถูกพบปิดบังเอาไว้มีอะไรมาบังหน้าเอาไว้เนี่ยเราก็จะมัวจมปลักอยู่ในสิ่งนั้นแต่ไม่ได้มองเห็นสิ่งอื่นเห็นอยู่แต่สิ่งนี้จิตใจก็ส่งไปในแต่สิ่งนี้แต่ไม่รู้ว่ามีสิ่งอื่นอยู่นี่คือลักษณะของบุคคลที่ถูกบังหน้าเอาไว้มนุษย์เราทาันบวชจัดโลกนี่แหละถูกพันธะบังเอาไว้ถูกพบบังเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นใครล่ละท่านผู้ฟังแต่ไม่เว้นแต่มนุษย์สัตว์เดราชฉานนี้ไม่ต้องพูดถึงเอาแม้แต่เทวดาอินพรหมในบุคคลที่เป็นสัตว์ชนิดอื่นๆเทวดาอาสูรนากคนทานพวกนี้ก็ถูกพบบังเอาไว้ถูกภัรษะบังเอาไว้เขาจะไม่มีทางที่จะหนีพ้นไปจากตาหูจมูกลิน้นกายและใจได้เลยอยู่ที่ไหนไม่ถูกพรรษาทางตาบังเอาไว้ก็จะถูกพัรษาทางหูบังเอาไว้ จมูกลิ้นกายใจทางใดทางหนึ่งบังเอาไวา้แต่พอราถูกภาษสะนั้นๆแต่ถ้ามันบังเอาไว้เนี่ยมันก็มองไม่เห็นสิ่งอื่นในเห็นแต่สิ่งนั้นอย่างเดียวพอเห็นสิ่งนั้นอย่างเดียวตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นก็ <c oughs> คิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นเป็นจริงไม่ได้มีสิ่งอื่นที่จริงไปนอกกว่าจากนี้เข <c oughs> าก็เริ่มที่จะมีความสําคัญว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ อันนี้คือมีความสําคัญว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาสัตว์เล่าได้ท่านผู้ฟังที่มีความสําคัญในผัสสะหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองไปรับรู้เข้าไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจสําคัญว่ามันเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนของมันเองขึ้นมาไม่ได้มีเหตุปัจจัยมาจากอะไรเลยละ่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้ของมันแล้มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าฉันฉันก็เห็นมันเป็นโดยความที่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกถูกบ้างถูกบ้างแล้วก็เพลิน เพลิดเพในสิ่งนั้นถูกบังอยู่แล้วเมาไม่เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งอื่นๆคิดว่ามีเท่านี้คิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นไม่ใช่นึ่เรียกว่าคุณเพลินไปในสิ่งที่บังนั้นอยู่แล้วแต่เวลาสิ่งไหนที่เราเพลินไปแล้วสิ่งนั้นบังเราแล้วอันนั้นจะเป็นอันตรายอันนั้นจะเป็นภยัยสิ่งไหนที่เป็นภยัยเป็นอันตรายมีความน่ากลัวอยู่ทั้งฝั่ง เพราะมันสามารถที่จะบทบังทัศนวิสัยของเราทําภัยอันตรายต่างๆเกิดขึ้นได้เหมือนกรณีที่เราขับรถไปเราก็มีรถบรรทุกหรือรถคันที่อยู่ข้างหน้านี่ทําทัศนวิสัยของเราให้ไม่ดีนั้นถูกบางแล้วสิ่งนั้นเป็นอันตรายเป็นภัยที่น่ากลัวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในบวงสิ่งไหนเป็นของน่ากลัวสําหรับบุคคล น, นั้นสิ่งนั้นย่อมเป็นทุกขสําหรับบุคคล น, นั้นแต่ที่พระพุทเจ้าใช้คําว่าบุคคล น, นั้นบุคคล น, นั้น เพรว่าของแต่ละอย่างที่เป็นของน่ากลัวสําหรับบุคคลหนึง่งอาจจะไม่ได้เป็นของน่ากลัวสําหรับอีกบุคคลหนึ่งก็ได้คนหนึ่งกลัวงูอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้กลัวงูแต่บางคนกลัวที่แคบแคบอีกคนหนึ่งก็ไม่ได้กลัวที่แคบนั่นก็ไม่ได้เป็นของน่ากลัวสําหรับทุกๆคนเกิดเป็นของน่ากลัวสําหรับคนคนนั้นเท่านั้นเขากลัวในสิ่งใดนะูุฟังสิ่งนั้นย่อมเป็นความทุกข์อันนี้เป็นบุตรบทแต่เขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นภัยหน้ากลัวเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นความทุกข์ความทุกข์ที่ทําให้เราจมปลักอยู่ในมันความทุกข์ที่มาบดบังเป็นผัสสะบังหน้าเอาไว้ทําให้เราไม่เห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงแต่บุคคลที่ถูกความทุกข์บังเอาไว้ถูกความทุกข์ถูกต้องแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะเกิดขึ้นได้แต่คือเขาก็จะมีการร่ําให้คร่าครวนทุบอกชคตัว ถึงความ ite, sponsor, เป็นปุ้เงนงงคลั่งเพอิดังก็คือจมอยู่ในความทุกข์นั้นที่สิ่งนั้นเป็นความทุกทททข์ขที่สิ่งนั้นเป็นความทุกข์เพราะเขามีความกลัวในสิ่งนั้นเอาถามว่าสิ่งนี้ทําให้เขากลัวได้อย่างไร่ก็เพราะว่ามันเป็นภัยที่น่ากลัวเอาถามว่ามันเป็นภัยที่น่ากลัวได้อย่างไรก็เพราะว่ามีความเพลิดเพลินมีความกําหนัดในสิ่งนั้นเอาถามว่าเรามีความกําหนัดได้อย่างไรก็เพราะว่ามันบังหน้าอยู่ทําให้เรามองไม่เห็นสิ่งอื่นๆ ไม่เห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันไปไม่เห็นสภาพตามความที่เป็นจริง้าให้เราจดจ้องมองเพ่งเล็งอยู่แต่สิ่งนี้คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นมองเห็นด้านเดียวเป็นลักษณะของตามบดคลำช้างคลำหางช้างก็บอกว่าช้างเหมือนไม้กวาดเอา้าเหมือนไม่ใช่ไม้กวาดเหมือนเป็นช้างคลำงวงช้างก็บอกว่าช้างเหมือนงูคลำขาช้างก็บอกว่าช้างเหมือนเสาเสาเนี่ยมันบางอยู่ ทำไมไม่เห็นตัวช้างกวีวาช้างนั้นเหมือนเสาเพราะว่าตาบอดนั่นเองคนที่ถูกบังอยู่ท่านผู้ฟังมันไม่ต่างอะไรกับคนตาบอดเพราะไม่เห็นสิ่งอื่นแล้วเห็นแต่สิ่งนั้นอย่างเดียวมันบังอยู่ต่อหน้าเลยเช่นผมบังภูเขาเนี่ยเหมือนคนตาบอดภูเขาใหญ่มาเริ่มเทิมแต่ก็มองไม่เห็นเพราะว่าเส้นผมบังอยู่คนขับรถน่ยมีรถบรรทุกบังอยู่ข้างหน้าก็มองไม่เห็นรถที่สวนมาล่ะและ้วก็เหมือนคนตาบอด กลับไปเห็นเฉพาะแค่ตรงนี้นิดเดียวตรงนี้เวลาที่เราจะดัดลูกศรให้มันตรงเนี่ยดัดไม้ให้มันตรงเนี่ถ้าเราใช้สองตาดูเนี่ยมันก็มองดูเบี้ยวเบ้ยดูเเข็งเเเป๊ะเปไปเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นตามจริงช่างสอนทอําทำยังไงท่านผู้ฟังเวลาที่เขาจะดัดลูกศรให้ตรงจริงได้เขาก็ใช้ตาเดียวดูเขาไม่ได้ใช้สองตาดูแต่ตาเดียวนี้เนไม่ได้หนึ่งในสองตานั้นท่าผู้ฟังแต่เป็นตาที่สาม นั่นคือตาคือธรรมะก็เรียกว่าธรรมะจักษุแต่เป็นตาที่สามที่เราจะใช้ดูให้มันเห็นตามที่เป็นจริงถ้าตาสองตาถูกบังอยู่ทต่ไมไม่ต่างอะไรคนตาบอดมีตาหรือไม่มีตาถูกบังอยู่ก็ค่าเท่ากันถูกปิดบังโดยพบถูกปิดบังโดยผัสสะมองไม่เห็นตามที่เป็นจริงถ้าเราจะใช้สองตานี้ดูอยู่ต่อไปแต่บางคนมีสองตาบ้างตาเดียวบ้างไม่มีตาบ้างตาเนื้อนี่แหละ หรือบคนมีสีตาเอาใส่แว่นเขาก็เรียกสีตาจะใช้กี่ตาดูก็ตามเถอะถ้ามันถูกบังอยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรมแมลงมุมกับมแมลงวันเนี่ยมีตั้งเป็นร้อยๆยตาแต่ทุกตาก็ถูกบังอยู่โดยพัทธะพัทธะทางตามันบังไว้เราจึงต้องใช้ตาคือธรรมะธรรมาจากโสตประวังในการมองทะลุเข้าไปให้มันเห็นเห็นว่าสิ่งที่บังอยู่นี้จะทําให้เกิดภัยอันตรายได้ เป็นของที่มีความน่ากลัวเป็นของที่ทําให้เกิดความทุกข์เราจะทําดวงตาคือธรรมะให้เปิดขึ้นได้ให้เห็นขึ้นได้พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้คำ ว, ว่าเหมือนกับมีหมอเนี่ยก็ เ, เอายามาใส่คนที่ตาบอดมาตั้งแต่เกิดยานี้นี่เป็นยาที่ประกอบด้วยยาถ่ายโทษในเบื้องตามด้วยยาถ่ายโทษในเบื้องบนด้วยยาเป็นยาชนิดที่หยอดแล้วให้กัดนังกัด เชื้อกัดสิ่งอะไรที่มันจะบังออกเป็นยาที่ยอดให้มีการบำรุงเป็นยาที่หยอดให้มีการสมานแผลเป็นยาที่ยอดให้มีความสดชื่นยาหยอดยาหยอดให้กัดยาที่ทําให้มีการสํารอกสิ่งต่างๆที่มันเป็นพิษเป็นเครื่องบดบังเหล่านี้ออกในรักษาไปรักษาไปสมัยต่อมานั่นเขาก็สามารถมองเห็นสิ่ ง, งต่างๆได้ธรรมะจากสูตรในจิตของเราท่านผู้ฟังบางทีเนี่ยมันถูกบดบังไว้ ลืมตาก็ลืมนิดนิดหนึง่งเห็นแสงเข้านิดเดียวแต่แต่บางทีมองก็ไม่ชัดก็ต้องเปิดให้มันกว้างหน่อยเปิดให้มันเห็นแจมแจมหน่อยเปิดให้มันเห็นชัดเจนหน่อยเปิดด้วยธรรมะธรรมบวชธรรมะจากสุถูกเปิดด้วยธรรมะธรรมะนี่แหละเป็นยาเป็นเหมือนยาสำรอกสิ่งที่มันจะปิดบังเอาไว้ยาทายสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจธรรมบัง เริ่มแต่เรื่องของศีลศีลเป็นปาัษาวะไหมศีลเป็นการกระทําเป็นการกระทำในชีวิตของเร า, าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตละ่ะเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตละ่ะเป็นการดําเนินชีวิตละ่ะศีลสมาธิปัญญาเนี่เป็นการดําเนินชีวิตเปรียบเสมือนยาที่จะทําให้เราคลายสิ่งที่มันบังใจของเราไว้บังธรรมะจากสุขของเราไว้นั่นคือภาษสาวะนั่นเองให้เราเปิดผัสสาะออกเปิดผัสสาะออกคือเห็นตามที่เป็นจริงแต่มันจะมาคอยบังเราอยู่เรื่อย เหมือนกับจอกแหนเนี่ยที่เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยนะธรรมบังเคยไปน้องน้ํามันมีจอกแหนหรือผักตบชวาต่างๆอัดแน่นเต็ไมไปหมดแต่เราเอามือปาดมันออกแวกน้ําออกเนี่ยเดี๋ยวเดีวหนึ่งมันเข้าหุบเข้ามาอีกแต่เราก็แหวงอีกเพื่อที่จะเอาน้ําใสๆข้างล่างมาดื่มมากินเดี๋ยวเดี๋มันก็หุบเข้ามาอีกเราก็แหวงอีกแต่เราได้กินน้ําล้างหน้าสดชื่นแล้วเดี๋ยวมันก็ปิดเข้ามาอีกเราก็แหวงอีกนี่คือลักษณะของความยึดถือธรรมบวชมันจะคอยมาบังอยู่เรื่อย มันจะทำให้เกิดความยินดีอยู่เรื่อยเดี๋ยวภาษานี้ก็มากระทบ เ, เราก็ลืมไปแหมฉันอุตส่าห์ตั้งจิตไม่ให้มีความคิดไม่ดีเฮ้ยภาษาแบบนี้มามันจี้ขึ้นนั่น น, นมันบังอีกแล้วเดี๋ยวคนนี้พูดอย่างนี้ขึ้นแม่มันจะสวนกลับเอามันเริ่มจะมาบังอีกแล้ว เ, เราก็อดทนไว้อดทนไว้มีธรรมะเราก็เปิดออกแหวกออกน้ํ า, นาก็ใสๆเราก็ใช้ดื่มใช้อาบใช้กินได้เปิดออกตามหวั ง, งอย่าให้ภาษานั้น มาบังหน้าเร า, เาไว้่ภาษาที่มันมาบังหน้าเอาไว้นั้นก็เราะว่าอำนาจของความยึดถือแล้วก็เป็นพวกเดียวกันกับตันหานั่นแหละแต่เจ้าความยึดถือเนี่ยคืออุปท า, านนี่ยอำนาจของสิ่งที่มาปิดบงังปกปิดเอาไว้คืออวิชาเพราะปกปิดแล้วบดบังแล้วโดวยภพก็ตามโดยภาษาก็ตามภพนั้นภาษานั้นมันเป็นเหมือนกับเรื่องราวของมันอีกอย่างหนึ่งเลยเป็นโลกส่วนตัวของมันโ ก, กบในคลาเนี่ยก็มีโลกส่วนตัวของเขา มีสถานที่ของเขามีเวลาของเขานั่นเป็นส่วนตัวของเขาไปเลยนี่คือลักษณะของสิ่งที่เป็นพบแต่หบุฟังมันเป็นทั้งสถานที่ทั้งเวลาของมันเองถ้าเราจมปลักอยู่ในนั้นตรงนี้คือเป็นสังสารวัตรแต่ที่เราจะต้องวนเวียนไป น, นวัตตานี่คือวนเวียนสังสารนี่คือการเดินทางแต่เดินทางวนเวียนไปอยู่ในนี้แต่เกิดมาชาตินี้ก็มีตาบังอาไว้มีหูบังเอาไว้เกิดมาอีกชาติหนึ่งก็มีหูมีตาจมูกลิ้นกายใจบังเอาไว้ แล้วก็อยู่แต่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปไหนวนเวียนอยู่ตรงนี้เดินทางไปไหนก็จะถูกปังด้วยภพ บ, บ้างถูกปิดบังด้วยผัจจะเราจะเห็นความจริงเห็นตามที่เป็นจริงได้เราก็ลืมตาดูลืมตาดูนี้ไม่ใช่ใช้ตาเนื้อดูแต่ใช้ตาเดียวดูนั่นคือตาธรรมะธรรมจากสูตรธรรมวังใช้ธรรมะจากสูตรในการดูให้มันเห็นว่าภัจจะเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงดูให้เห็นว่ารูปดูให้เห็นว่าตาเป็นของไม่เที่ยง มีความแปรป ร, รวนไปเป็นธรรมดาดูให้เห็นว่าเสียงที่ได้ฟังอยู่นี้ผ่านมาทางหูนี้หูด้วยเสียงด้ว ย, ว ย, วยก็เป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเอามันไม่เที่ยงได้ไงก็ของไหนที่มีเหตุในการเกิดไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยตัวเองของมันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นนะถ้าเหตุปัจจัยของมันเปลี่ยนแปลงไปตัวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไป pocket. ด้วยอันนี้คือความไม่เที่ยงของมัน แต่พอจะปรากฏอยู่เหมือนกับเป็นสิ่งที่เที่ยงก็เพรว่าตอนนั้นเหตุปัจจัยมันยังอยู่ถ้านกัปเจ้ายังพูดอยู่ท่านฟังยังฟังอยู่สถานที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นศูนย์ยากาศเสียงเดินทางไปได้มันก็มีเสียงอยู่แต่ถ้าเราไปเปิดในอวากาศเนี่ยมันไม่ได้ยินคุณอยู่ในอวากาศจะตะโกนดังแค่ไหนมันก็เงียบกริบเพราะเสียงมันเดินทางไม่ได้เหตุปัจจัยของมันไม่เกิดขึ้นมันก็จึงมีความไม่เที่ยงแต่ตอนนี้มันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ มีสิ่งที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นได้อยู่มันจึงมีเกิดขึ้นมาไอการเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยที่มันทรงอยู่นี้ไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองแต่เป็นตัวตนเป็นอัตตาที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นอนัตตามันจึงเป็นของที่มีความไม่เที่ยงไม่เที่ยงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองไม่เที่ยงเพราะว่ามันต้องอาศัยอย่างอื่นเกิดขึ้นถ้าอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนไปด้วยเราจะเห็นความจริงนี้ในหูได้ในเสียงได้ ในรูปที่เราเห็นได้ในตาที่เรารับรู้สิ่งอื่นๆได้ด้วยธรรมาจักสุธธรรมอยู่ที่ไหนทัง้งบวชอยู่ในใจเวลาใจของเรารับรู้รูปเวลาใจของเรารับรู้ความรู้สึกอารมณ์ใดๆเห็นตรงนี้เห็นในใจนี้จะหลับตาสองตานี้ก็ได้เห็นอยู่ที่ใจเพราะว่าต่อให้คุณมีสี่ตา8ตาสิบกตาหรือเป็นร้อยๆตาเหมือนตาสับรบิก็ตามแต่ถ้ามันถูกบังไว้มันไม่มีค่าอะไรเลยเดี๋ยวเป็นเหมือนคนตาบอด แต่จิตใจของเราอย่าบอดให้จิตใจขงเราเปิดด้วยต า, าคือธรรมะคือธรรมะจักรสุจามฝังบุคคลที่เห็นอยู่ด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้มีตาเปิดแล้วอย่างนี้จะไม่ถูกรึงรัดรัดรึงข้องอยู่บังอยู่ด้วยพรรษะได้จะไม่ถูกรึงรัดรัดรึงข้องอยู่บังอยู่ยออยยเพลิดเพลินไปในภพเพลิดเพลินไปในตันหาได้ทําให้ได้เลยเพราะมันมองทะลุไปแล้ว มองทะลุไปว่าสิ่งที่บังหน้าเราอยู่นี้หรือสิ่งที่อยู่หลังมันก็ตามมีธรรมชาติเหมือนกันคือมีความไม่เที่ยงเหมือนกันมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดามีความแปรเปรวนไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาบุคคลที่เห็นอยู่อย่างนี้ตะวัหวังเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญามีปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงเขาจะสามารถที่จะมองทะลุไปได้ มองทะลุไปได้ก็คือว่าข้ามล่วงไปนะผ่านไปทะลุไปคนที่มองผ่านไปมองทะลุไปได้ไม่ถูกภาษาใดใดบางหน้าก็เรียกว่าเป็นพุทธิข้ามล่วงเป็นผู้ที่ก้าวล่วงสิ่งที่บังเราเอาไว้นะมองทะลุไปได้แต่เหมือนคนที่ไม่ได้สายตาสั้นเนี่ยสายตาปกติเนี่ยตื่นมาปุ๊บนี่ก็ชัดเลยใสยปิ้งเลยในขณะที่คนที่สายตาสั้นตื่นมาแล้วมันก็ต้องไปหาแว่นตาก่อนจะดูว่ามันกีโมงแล้วหรือสว่างหรื อ, อยังเนี่ย เป็นตามาใส่ก่อนมันยังไม่ชัดทันทีเลยอันนี้คือเปรียบเหมือนกับตาเนื้อนะเปรียบกับตาเนื้อแต่ตาใจคือธรรมานั้นเราทําไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งได้เบิดมาปุ๊บใสปิงเลยใสปิงสว่างสดใสด้วยปัญญาปัญญาเนี่ยแหละทำให้เกิดความคมชัดความคมชัดของปัญญาที่เกิดขึ้นในใจของเราทําให้ธรรมะจากสุขของเรานั้นมีความชัดเจนมีความแจ่มแจ้งและมองให้ทะลุมองให้ตลอด มองให้เห็นตามที่เป็นจริง่นะบางชิ้นบางอันบางผัสสะเราจะยังมองไม่ชัดยังมองไม่เห็นยังมองไม่ชัดยังมองไม่แจ่มแจ้งยังมองไม่เห็นตามที่เป็นจริงเราก็ฝึกใหม่ขยี้ตาใหม่ปริจารณาใหม่มองให้เห็นใหม่แต่คนใส่ตาสั้นตามองไม่ชัดนี่บางทีเขาขยี้ตาก่อนบางทีเขาก็ทําตาตีตีเพื่อที่จะมองให้มันชัดเราจะทําธรรมะจากสุขของเราให้ชัดเจนแจ่มแจ้งนั้นแล้วก็พิจารณาอยู่เรื่อยทําอยู่เรื่อยๆ ทำอยู่บ่อยๆในพิจารณาผัสสะที่เราพบเห็นอยู่ทุกๆวันนี่แหละรสอาหารที่ผ่านมาทางลิ้นทั้งรสอาหารนั้นด้วยตัวอาหารนั่นด้วยแม้แต่ลิ้นด้วยก็ตามเป็นของไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่าลืมนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผัสสะนี้พบนี้มันจะมาคอยสร้างสถานที่สร้างเวลาของมันไหนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปจมปลักยึดถือเพลิดเพลิน หลุ่มหลง ม, ม, มัวมาไปในสิ่งนั้นได้ธรรมชาติของมันเหมือนจอกแหนเป็นเหมือนอยางเหนียวที่จะคอยมาหุ้มห่อเป็นเครือข่ายแผ่ซ่านไปปลายมันออกไปแล้วเกียมันออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่โตขึ้นมาใหม่ได้เราจึงต้องทําความสะอาดอยู่เรื่อยๆที่จิตของเราที่ดวงตาคือธรรมะของเราทําธรรมะให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราโดยการที่รักษาศีลให้อย่างดีแเนรทำใจให้เป็นหนึ่งมีอารมณ์มันเดียว มีความคิดไม่เป็นไปในทางกามคิดเรื่องที่จะหลีกออกจากกามมีความพยาบาทใดๆขึ้นมาก็อดทนเอาไวา้สละความพยาบาทนั้นทิ้งไปทำจิตใจใมีความเมตตา ม, มีอุเบกขาเกิดขึ้นเห็นสิ่งใดที่มันจะทำให้เรามีความยึดถือรุ่มหลงเพลิดเพลิน เ, เราทำงานกระทำไปแต่ว่าให้เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงให้เห็นสิ่งนั้นโดยความที่มันมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้น ให้เห็นสิ่งนั้นโดยความที่มันไม่ใช่เป็นตัวตนของมันเกิดขึ้นเอกเทศได้ไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่เป็นอนัตตามีความเป็นอนัตตามีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นในสิ่งนั้นได้เป็นธรรมดาที่จะเกิดขึ้นในสิ่งนั้นที่เราเข้าไปรับรู้รับทราบเห็นทางตาได้ยินทางหูสัมผัสทางกายดมกลิ่นด้วยจมูก กลิ่นหอมๆมาจากทางไหนไม่รู้อย่าสรงใจไปตามนั้นเพราะว่าถ้าเราส่งใจไปตามกลิ่นตามเสียงเท่ากับว่าเรามอบอำนาจการควบคุมจิตของเราให้กับเสียงนั้นให้กับกลิ่นนั้นเพราะมันสามารถที่จะชักจูงจิตของเราให้ขึ้นหรือให้ลงไปตามสภาพของกลิ่นหรือเสียงนั้นได้ถ้ากลิ่นนั้นเสียงนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความรุ่มหลงเพลิิลนยินดีมันก็จะมากลุ่มรุมบังจิตของเราไว้ให้มีแต่ความเพลิน ความลุ่มหลงความยินดีเพลิดเพลินถ้าเสียงนั้นกลิ่นนั้นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ไม่น่าพอใจมันเหม็อนอะไรตุตุแต่เสียงอะไรมันมากวนจะจะฟังเทศฟังธรรมแต่มันก็จะทําให้จิตของเรานั้นมีความขัดเคืองขุนข้องหมองใจมันก็จะดึงจิตว่าเราลงแต่ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวานี่แหละดาวหน้าของผัสสะที่มากระตบอย่าส่งใจไปตามสิ่งนั้นเพราะนั่นเท่ากับว่ามีผัสสะบางหน้าแล้วมีผัสสะบางแล้ว ทัศนวิสัยมันจะไม่แจ่มแจ้งสิ่งนั้นจะเป็นภัยอันตรายมีความน่ากลัวแฝงอยู่ในสิ่งนั้นเราให้เห็นมองให้ทะลุไปมองข้ามมันไปอย่าทรงใจไปตามสิ่งนั้นแต่ให้เห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นที่ไหนเห็นที่ใจของเราใจของเรารับรู้สิ่งนั้นได้อยู่ในใจของเราไม่ได้สรงใจไปตามสิ่งอื่นๆแต่ให้ใจของเราที่รับรู้สิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจ ความคิดนึกเรื่องใดๆก็ตามมาันจะไปคิดเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่คิดแล้วเห็นแล้วพิจารณาแล้วเห็นความไม่เที่ยงด้วยเห็นความที่ไม่ใช่ตัวตนด้วยเห็นความเป็นอนัตตาในสิ่งนั้นด้วยเห็นธรรมชาติที่มีอยู่ในสิ่งนั้นว่ามีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี่คือปัญญาที่เกิดขึ้นปัญญานี้เรียกว่าเป็นปัญญาเครื่องที่จะจาอแทงกิเลสเป็นปัญญาที่จะเปิดด อ, อก เป็นบัญญาที่จะทำใหเรามองทะลุไปไม่ถูกภาษาต่ตางๆเหล่านี้บางหน้าพระพุทธเจ้าตรัสวัยธรรมฟังตอนนั้นตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังไม่ได้มีความคิดความดำํำริว่าจะไปสอนใครนั่งพักอยู่ที่ใต้ต้นโพนั่นแหละยังไม่ได้เดินไปที่ต้นไทรอันเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะด้วยซ้ำอย่างนั่งพักผ่อนอิริเบตอยู่ที่บริเวณต้นโพที่ตรัสรู้นั้นและตรัสคําบูทานขึ้น เป็นคาถาเป็นคำกลอนนี่แหละแต่งกลอนมาชุดหนึ่งตอนที่ตรัสรู้แล้วใหม่ๆยังอยู่ใต้ต้นโพ้นั้นอยู่ที่ตรัสรู้อยู่ในตรัสคํานี้ไว้ทธูมฝังบอกว่าสัตว์โลกนี้เกิดความเดือดร้อนแล้วมีพันธะบังหน้าแล้วย่อมกล่าวซึ่งโรคคือความเสียดแต่งนั้นโดยความเป็นตัวตนเขาสําคัญสิ่งใดโดยความเป็นประการใดแต่สิ่งนั้น ย่อมเป็นไปโดยประการอื่นจากที่เขาสาคันนั้นสัตว์โลกติดข้องอยู่ในภพถูกพบบังหน้าแล้วมีพบโดยความเป็นอย่างอื่นจึงได้เพลิดเพลินยิ่งนักในภพนั้นเขาเพลิดเพลินยิ่งนักในสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภัยน่ากลัวเขากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ประมาจันนี้อันบุคคลย่อมประพฤต ก็เพื่อการละขาดซึ่งภพสมณะหรือพรามเหล่าใดกล่าวความหลุดพ้นจากภพว่ามีได้เพราะภพเรากล่าวว่าสมณะหรือปรามทั้งปวงนั้นไม่ใช่ผู้หลุดพ้นจากภพถึงสมณะหรือปรามเหล่าใดกล่าวความออกไปจากภพว่ามีได้เพราะวิภพเรากล่าวว่าสมณะหรือปรามทั้งปวงนั้น ก็ยังสลัดพบออกไปไม่ได้ก็ทุกนี้มีขึ้นเพราะอาศัยความยึดถือและพอความสิน้นปลายแห่งความยึดถือโดยประการทั้งปวงความเกิดขึ้นแห่งทุกข์จึงไม่มีท่านจงดูโลกนี้เถิดจะเห็นว่าสัสตร์ทั้งหลายอันอวิชชาหนาแน่นบทบังหน้าแล้วและว่าสัสตร์ผู้ยินดีในภพ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 โดยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอยู่อย่างนี้เขาย่อมละภาวะตัณหาได้และไม่เพลิดเพลินในวิภาวะตัณหาด้วยความดับเพราะความสำรอกไม่เหลือแห่งพบทั้งหลายเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหาโดยประการทั้งปวงนั่นคือนิพพานพบไม่ย่อมไม่มีแก่บุคคล น, นั้น ผู้ดับสนิทเย็นแล้วเพราะไม่มีความยึดมั่นเป็นผู้ครอบงำมานได้แล้วชนะสงครามแล้วก้าวล่วงพบทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วเป็นผู้คงที่คือไม่เปลี่ยนแปลงหนังนีน้และนี่คือพุทธพจน์ที่ได้ตรัสไว้ที่ใต้ต้นโพหลังจากที่ตรัสรร้แล้วได้เจ็ดวันในพุทธพจน์ ที่เป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใต้ต้นโพนี้ได้บ่งบอกให้เราทราบถึงความที่เราถูกผัดสะบังหน้าไว้บ่งบอกให้ทราบถึงความที่เราถึงแม้เราจะไม่มองมันมันก็มาบังเราด้วยทางอื่นอยู่ดีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเหมือนกบในกะลามีตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจอยู่ก็จริงแต่ก็ถูกบังอยู่ด้วยกะลาเปิดกะลานายออกมาแล้วก็อาจจะถูกบังอยู่ด้วยกะลาข้างนอกอีก เราจะมองเห็นทั้งกาลานัยกาลานอกเห็นทั้งตารูปหูเสียงกลิ่นและจ ม, มูกอายตนะทั้งภายในภายนอกทั้งหมด12อย่างนี้ตามที่เป็นจริงได้ด้วยจักสุคือธรรมคือธรรมาจักสุที่ธรรมาจักสุนั้นอยู่ในใจของเราใจที่เรารับ ร, รู้รับทราบเห็นสิ่งต่างๆนี่แหละตะบูฟังแต่เราให้ใช้ใจของเรานี้เห็นธรรมชาติ ของสิ่งต่างๆที่มากระทบไม่ว่าทางตาทางหูว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีธรรมชาติคือความไม่เที่ยงอยู่ในสิ่งนั้นมีธรรมชาติคือความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอยู่ในสิ่งที ông, ่เรารับรู้นั้นมีธรรมชาติคือความที่มันไม่ใช่เป็นตัวเองของมันเองเป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่มันอาศัยสิ่งอื่นๆแล้วจึงเกิดขึ้นให้เห็นธรรมชาตินี้ในภาษาต่างๆที่รับรู้ผ่านทางตาผ่านทางความคิด สิ่งเรานั้นจะมาปิดบังจะมาเกลือกล้วจะมาครอบงำเราไม่ได้เป็นผู้ที่ไม่ถูกครอบงำเป็นผู้ที่เอาชนะสิ่งที่มาจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะมาครอบงำใจิตใจของเราได้คกือก้าวข้ามล่วงเรื่องที่จะมาครอบงำนั่นเองผู้ที่มีลักษณะนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเย็นมีความเย็นอยู่ในใจนั่นคือนิพนานเป็นผู้ที่จะไม่วันไวไปเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาที่มากระทบ เป็นผู้ที่มีความคงที่นั่นเองข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญอภิภุญโนจากวัปดป่าตอนไฮโซเจริญบาน